ตอนบายมีคนมาสัมภาษณ์เพื่อประกอบสารคดีการจาริกบุญนะไปยังประเทศทิเบตจะเรียกประเทศทิเบตนี่คงไม่ถูกนะเพราะว่าทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของจีนอันนี้เรียกแบบง่ายๆขณะนี้เขาก็ได้ไปจาริกสแสวงบุญไปถึงทิเบตแล้วก็ เดินจาลิกรอบเขาไกร ล, ลาศเขาไกร ล, ลาศก็เป็นเขาที่สําคัญนะที่คนที่นับถือพุทธศาสนาก็ดีฮินดูก็ดีนับถือก็เป็นที่ที่จ่าริกสวงบุญกันมากมายอยู่ในทิเบตก็เชื่อว่าเขาไกร ล, ลาศนี้ก็เป็นเขาพระสุมเมน ที่จริงกำหนดเดิมเนี่ยก็จะไปจาริกกับเขาด้วยนะแต่ว่าตลังเขาเลื่อนจากกรกดาจากมิถุนาเลื่อนมาเป็นสิงหาก็เลยไปร่วมกับคณะของเขาไม่ได้เอถ้าไปนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าะจะไปตลอดรอดสั่งหรือเปล่าเพราะว่า เคยไปที่เบตเมื่อปี43ก็มีปัญหามากกับอากาศที่เบาบางเวลาขึ้นไปยังที่สูง 4,000-5,000 เมตรถ้าอากาศนี่ถ้าไปถึงระดับความสูง 5,000 เมตรเนี่ยมันอากาศมันจะบางมากหัวใจจะเต้นเร็วเพื่อสูบฉีดออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ถ้าสูบฉีดปกตินี่ออกซิเจนมันก็ไปเลี้ยงสมองนิดเดียวก็ไม่ไหวหัวใจมันจะเต้นเร็วขึ้นเมื่อเต้นเร็วขึ้นก็ทำให้เหนื่อยง่ายแค่ลงจากรถไปปัสสาวะเนี่ยเดินไปไม่ไกลนี่ก็เหนื่อยแล้วแค่ลงนะถ้าขึ้นรถนี่ก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่แถมยังปวดหัวอีกเพราะว่าความดัน ในร่างกายเราความดันข้างนอ้นี้มันไม่เท่ากันแต่พอลดระดับนะความสูงสามพันเมตรนี่กอ ย, อยังชั่วแต่ว่าไกาลล่านี่มันสูงหนึ่งห้าพันเมตรปีที่แล้วก็อาจา ร, รย์โน้ตอาจา ร, รย์ตุ่มก็ไปนะก็ไปได้ตลอดลอดฝั่งคราวนี้เนี่ยเขาก็มาสัมภาษณ์นะเพื่อจะเปรียบเทียบระหว่าง วัชรยานพุทธศาสนาแบบวัชรยานกับพุทธศาสนาแบบเทโรวาทตัวเองนี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องวัชรยานมากเท่าไหร่แต่ว่าพอจะรู้เรื่องเทรวาดก็สามารถที่จะให้ความเห็นเปรียบเทียบกันได้อย่างนี้ที่เขาพูดตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจกนะ็คือว่าคนที่เบสเนี่ยเขจะนับถือศีลสินะก็ไม่ได้นับถือศีลห ก็เขาก็แปลกใจว่าทาไมคนที่เบรนับถือศีลสิบแต่คนไทยนับถือศีลห้าอันนี้หมาถึงชาวพุทธศีลสิบในที่เขาคงจะหมายถึงกุศลกรรมบทสิบนะกายกรรมสามวจีรกรรมสี่แล้วก็มโนกรรมสามคนไทยเดี๋ยวนี้นี่ไม่ค่อยรู้แล้วล่ะว่ากุศลกรรมบท10นี่คืออะไรแต่ถ้าถามว่าศีลห้าคืออะไรก็ตอบได้ทจริงถ้าพูดถึงคําสอนที่ ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าจะพูดถึงศีนสิ 10, หรือว่ากุศลกรรมบท10นี่มากกว่าศีน่นะถ้าพูดถึงความถี่หรือพูดถึงความการเน้นหนักเนี่ยในพระไตรปิฎกนี่จะพูดถึงกุศลกรรมบท10มากกว่าศีน่กุศลกรรมบท10นะอันนี้ก็มันมีความหมายที่ครอบคลุมแล้วก็ลึกกว่าศี 5, นะ่า พจน์ศีล5้านี้ก็ในเรื่องกายวาจาแต่ไม่ครอบถึงใจแต่ว่ากุศลกรรมบทสิบเนี่ยในเรื่องที่เป็นมโนกรรมสามเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการที่ไม่มีจิตคิดพยาบาหรือไม่มีจิตที่จะคิดโลกรวมทั้งการมีสัมมาทิฏฐิด้วยถ้าคนไทยนี่ถ้าเราขยับจากศีลห้ามาเป็นศีลสิบหรือว่ากุศลกรรมบท10นี้ก็คงจะมีการพัฒนาไม่ใช่น้อยแต่ว่า พูดอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่านะมันจะเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าแค่ศีลห้านี้ก็ยังทำกันไม่ได้เลยยังปฏิบัติกันไม่ครบถ้วนเลยคนสัมภาษณ์เาก็สัมภาษณ์หลายเรื่องนะแล้วก็มีตอนหนึ่งเขาก็โยงมาถึงเรื่องของการพิธีปรงศพแบบที่เบตนะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีก็คือคนที่เบสส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาโปรงศพเนี่ย เขาก็จะถามศพไปยังภูเขานะที่ไกลแล้วก็เมื่อไปถึงที่นั้นเนี่ยเขาก็จะหันนะห่นศพนะหั่นศพเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆแล้วก็มีการแล่เนื้อเพื่ออะไรนะก็เพื่อให้แรงเนี่ยมันกินนะื่อเป็นการบำเพ็ญทานครั้งสุดท้าย เขาก็ถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะแล้วก็มันแตกต่างจากเมืองไทยอย่างไรก็บอกเข้าไปว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยไม่ใช่ทิเบตเท่านั้นที่ทํานะคนไทยสมัยก่อนก็ทําอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่ทําเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วนะทําในสมัยรัตนโกสินทร์นี่เองนะทำมาจนถึงรัชสมัยรัตนโกสินทร์ แล้วก็เพิ่งหยุดไปเมื่อประมาณหลังสองสี่เจ็ดห้าเขาก็งงนะแล้วก็บอกเขาต่อไปว่ามันไม่ได้ทำไกลไหนเลยมันไม่ได้ทำในป่าไม่ได้ทำในอีสานด้วซ้าทำกลางกรุงเลยกรุงเทพนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีธรรมเนียมโปรงศพแบบนี้เหมือนกันก็คือหันศพนะทำที่ไหนนะทำที่วัดสเกตภูเขาทอง วัดสกเกตเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีแรงเยอะนะสมัยเด็กเด็นี่ก็ยังมีคำสํานวนว่าแรงวัดสกเกตเปรตวัสุทัศนะ์ทำไมถึงทำที่วัดวัดสกเกตนะก็เพราะสมัยก่อนมีประเพณีว่าการปรง่งศพการเผาศพนะไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับศพเนี่ยก็ห้ามทำในกำแพงพระนครนะต้องให้ทำนอกกำแพง เพรนวัดในสมัยก่อนเนี่ยวัดในเขตพระนครในกำแพงพระนครเ น, นี่ยไม่มีการทำศพไม่มีเมนนะต้องมาทำข้างนอกแล้ววัดสเกตนี่มันอยู่นอกกำแพงพระนคร น, นิดเดียวเองนะเพราะฉะนั้นในการปรงศพก็มักจะมาทำกันที่วัดสเกตแล้วก็ปรงศพนี่นะก็ทำแบบที่เบดนั่นแหละแต่ว่าคนไทยเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้รู้กันหรือไม่ค่อยได้บันทึกกันเท่าไหร่ โชคดีที่ฝรั่งก็บันทึกเอาไว้เพราะก็เห็นเป็นเรื่องแปลกจะหาบันทึกของคนไทยเรื่องนี้นี่น้อยมากนะเพราะว่าคนไทยเห็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ค่อยพูดเท่าไหร่มารู้เรื่องนี้ก็จากฝรั่งนะฝรั่งสมัยรัชกาลที่2องรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่5นี่ก็จะพูดเรื่องนี้ไว้ถ้าพูดถึงว่าสแกมแล้วก็จะพูดถึงเรื่องการทําศพของคนไทยก็คือว่าเอาศพมาแล้วก็ พอมาถึงจุดนะที่มีมีแรงเยอะนะเขาก็จะอ่าเอามีดเนี่ยกรีดท้องเอามีดกรีดท้องแล้วควักเอาเครื่องในโยนให้แรงกินบางทีไม่ใช่มีแรงนะบางทีก็มีหมาด้วยหมาก็มาคอยอยู่พอรู้กันว่าเนี่ยจุดเนี้จะมีของกินดีๆเขากรีดท้องนะเอาเครื่องในแล้วก็พา ตั้งแต่อกลงมาเลยเสร็จแล้วก็สับนะสับเนี่ยแขนขาตัวเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆแล้วก็แล่นเนื้อโยนให้หมาโยนให้แรงนะแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็หมดละเพราะว่าเขาแล่นเนื้อได้เห็วมาก ถึงตอนนั้นก็ค่อยหั่นกระดูกเป็นเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปที่เชิงตะกอนแล้วก็ทำการชาปน ก, กิจชาปน ก, กิจเนี่ยก็มีแค่นั้นนะไม่มีเนื้อเลยนะเพราะว่านเนื้อนี่ก็แล่ให้ให้แรงให้หมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเร็วมากเนี่ยใช้ฟืนไม่กี่ท่อนไม่นานเนี่ยก็ก็เหลือแต่อัติกบอังคารหรือเท่า ทันทีแราก็เข้าใจว่ามันเป็นศพไม่มีญาตินะศพไม่มีญาติดยเพราะสมัยก่อนสมัยรัชกานที่สองเนี่ยมันมีหาหาลงเบื่อฮิวาคนก็ล้มตายเป็นเบือ่อก็คิดว่าเขาคงปลงศพแบบนี้เนี่ยกับพวกศพไม่มีญาติหรือพวกตายเพราะโรคระบาดแต่ที่จริงแล้วนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะศพมีญาตินะอย่างมีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ย รู้สึกชื่อจอร์นคลอฟฟอร์ดจอร์นคลอฟอร์ดนี่ก็เป็นที่รู้จักก็ดีในสมัยรัสการที่สองเป็นทูตจากอังกฤษมาทำารท า, ทาการคา้าก่อนสมัยจอร์นบาวริงจอร์นบาวริงในรัสการที่สี่จอร์นคลอฟอร์ก็เล่าว่าเนี่ยเขาก็บรรยายเลยนะว่าศพเนี่ยหา ม, มาแล้วนะมีคนหา ม, มาแล้วก็มีญาติตามมามีญาติก็ประมาณสักยี่สิบสามสิบคนแล้วก็มีพระนํามานะ มีพิธีนะไม่ใช่ไม่มีพิธีนะพอมาถึงจุดที่มีแรงเยอะเขาก็<ๆ>วางศพลงแรงนี่มันก็รู้เวลานะแล้วก็มันมันก็มีมารยาทนะมันก็มายืนล้อมเป็นเครื่องวงกลมมันมีระเบียบมากกว่าหมานะหมานี่ยังยังไม่เป็นระเบียบนะแต่แรงนี่เป็นระเบียบมายืนเครื่องวงกลมนะแล้วก็รอจนกระทั่งเนี่ยพอได้เวลาสับประเวทนี่ก็ จัดการชำระพาศพนะคือพาศพ้วของรู้นะว่าทำยี่ได้เนี่ยก็คือว่าศพไม่มีเสื้อผ้าเลื่อยแล้วก็กลีดท้องกลีดหน้าอกควักเอาเครื่องในตัดไตใ้พูงมาระหว่างนั้นพระก็สวดนะฝรั่งอธิบายละเอียดเลยนะพระนี่มือซ้ายถือตละลปัดมือขวาถือไม้ไผ่เนี่ยแตะไว้ที่ศพก็สวดนะคงสวดพิธามนะระหว่างที่ระหว่างที่แร่เนื้อ พระก็สวดไปสวดได้สักพักก็อก็ให้พราี์ให้สับเปลืยกแหลไปเรื่อยๆจนอด้านหน้านี่เกลี้ยงแล้วก็กลับมาด้านหลังเกรดหลังอีกแล่เนื้อออกพระก็สวดใหม่สิบนาทียี่สิบนาทีก็หมดแล้วบางทีก็โยนให้หมาบ้างแล้วก็สับสับ กระดูเป็นชิ้นๆนะแล้วก็จะได้ขนขนถ่ายขนง่ายนะไปเชิงตะกรนเผาบางทีก็ฝังนะก็จะอาจะเป็นผู้เสพติด่าตายแบบอ่าตายผิดปกตินะไม่เป็นธรรมชาติถูกฆ่าตายอันนี้ก็เอาไปฝังเอาไว้แล้วก็พบว่ามันไม่ได้ทำเฉพาะวัดสเกตนะนอกกำแพงพระนครนะที่อื่นนี่ก็ทำเหมือนกัน ก็กลายเป็นเรื่องว่ า, เ, าเป็นสิ่งที่ทำกันค่อนข้างจะแพร่หลายพูดน mm ่า hmm. คือเป็นธรรมเนียมถ้าถามว่ารับเผาศพแบบสมัยก่อนเนี่ยแบบที่เรารู้จักกันเนี่ยคือไม่ต้องผาไม่ต้องแร่เนื้อนี่มีไหมก็คงมีนะก็คงมีจับมาตาสังแล้วก็ใส่ลงแล้วก็สวดสองวันสามวันแล้วก็ไปเผาเลย โดยที่ไม่ไปไม่มีการไปแลดเนื้อหัน่นกระดูกให้แรงกินก็น่าสงสัยว่าเออเ้าทำไมศพก็มีญานนะแล้วทำไมเขาโปรงศพกันแบบนี้นะซึ่งในสายตาคนทั่วไปก็ดูเป็นเรื่องอุจจานหรือบางคนจะมองว่าป่าเถื่อนเลยก็เข้าใจว่าเขาตัวตัว ตัวคนตายเนี่ยก็คงเป็นตั้งเจตนาไว้ว่าว่าอยากจะทำบุญครั้งสุดท้ายนะการทำทานเนี่ยคนไทยสมัยก่อนก็ถือว่าทำทานให้กับสัตว์นี่ก็ได้บุญนะแล้วก็ได้บุญมากเลยนะทำทานให้กับสัตว์ให้แรงให้หมาได้กินนะเป็นอาหารถือว่าเป็นการทำบุญที่มีอันทิ่งสงมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีคน ทำบุญแบบนี้กันเยอะนะทำบุญด้วยการนะอุทิศร่างกายให้เป็นอาหารของสัตว์นะเป็นการทำความดีครั้งสุดท้ายเพราะว่ามันก็มีคำสอนว่าเนี่ยสัตว์เนี่ยเวลาตายมันยังเป็นยังมีประโยชน์นะพืชศรัาสอนอีกกุญชอนอับปลปงเนี่ยนะพวกเราคงจำโค้งโลกโนิดนี้ได้เนี่ยนะคือว่า พวกวัวพวกควายพวกช้างเวลาตายนี่มันยังมีเนื้อมีหนังมีกระดูกมีเขามีงาให้เป็นประโยชน์แต่คนเราตายแล้วไม่มีประโยชน์เลยแต่คนไทยจำนวนหนึ่งก็เห็นว่าถึงตายก็มีประโยชน์นะตอนสัตว์ตายนี่เรากินเนื้อมันตอนเราตายก็ให้มันกินบ้างนะก็เรียกว่าคนไทยนี่สมัยก่อนเขาก็ใจใจถึงนะเขาก็ไม่ได้คิดว่าการ ไม่ได้หวงแหนร่างกายนะไม่เหมือนสมัยนี้หวงแหนร่างกายมากแม้ตายแล้าก็ยางอยากให้ศพสวยแต่ว่าคนสมัยก่อนนี่เอาเลยนะแจกทําอุทิศร่างกายให้เป็นทานสัพพสัตตนะ์ศพนี่ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าทั้งสิ้นนะเกลยนะนะมันจะได้ผ่าสะดวกเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีซึ่ง คนไทยสมัยนี้ลืมไปแลวนะแต่ว่าที่จริงมันก็มันมันก็ไม่น่าลืมนะเพราะว่ามันก็มีมาตลอดจนกระทั่งสองสี่เจ็ดห้านี่ยเมื่อสิกกว่ปีก่อนมีคนไปสัมภาษณ์จเจ้าอาวาส ว, วัดพระสิงห์ชื่ออาจา ร, รย์หนูหลวงพ่อนหนูท่านก็บอกว่าเนี่ยตอนที่ท่านเดินทางมากรุงเทพมาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยจากเชียงใหม่ประมาณสองสเจดห้านี่มาพักที่วัด ราชนัดดาว่าราชนัดดานี่มันใกล้กับมันใกล้กับวัสเกตก็ยังได้ยินก็ยังได้เห็นเลยนะมันเห็นว่ามีการเอาศพมาให้แรงกินแต่พอมากรุงเทพอีกทีประมาณสี่สิบปีหลังจากนั้นก็ไม่เหลือแล้วท่านก็เข้าใจเป็นเพราะไม่มีไม่มีแรงนะเป็นเพราะไม่มีแรงก็เลยไม่มีทำเนียมแบบนี้ อันนี้ก็เป็นเป็นค่านิยมนะเป็นธรรมเนียมการการปรงศพที่ที่น่าสนใจมากนะก็คือว่าเมื่อจะตายทั้งทีนะก็ขออุทิศร่างนี้ให้กับให้กับสัตว์นะถือไม่จะเป็นสัตว์ชั้นต่าเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้เคารพแรงเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าการทำบุญให้กับแรงทำอุทิศร่างกายเป็นอาหารให้กับแรงนี่ก็ถือว่าได้บุญก็ไม่รู้ว่ามันมีพื้นฐานมาจาก มีความเป็นมามาจากชาวดกรวะว่านะัเพราะชาวดกของขอ ง, ของเราเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบนี้อยู่แต่ไม่ใช่อุทิศร่รางกายตอนตายนะอุทิศร่รางกายตอนมีชีวิตอยู่ยอย่างที่เคยเล่าว่ามีสมัยที่พระเจ้าเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์เป็นดาบทนะบำเพ็ญบารมีอยู่ทูดงในป่ากับลูกศิษย์ก็เห็นแม่เสือเสือแม่ลูกอ่อนมันหิวโซเลยมันออกลูกมามันหิวมาก มันก็เลยทำท่าจะกินลูกมันดาบ ท, ท่านนี้ก็สงสารก็เลยบอกให้ลูกสิธิ์ไปหาอาหารมาแต่ลูกสิธิ์ไปหาอาหารแล้วไปไกลเลยนะไม่กลับมาสักทีเสือนี่มันก็กลังจะขยํำลูกท่านก็สงสารอยากจะช่วยชีวิตลูกเสื อ, อไว้ท่านทำยังไงท่านก็โดดลงไปนะโดดลงไปให้เสือกินเป็นการบาเพ็ญ น, นะ ปรมัตถารมีเลยนะทานบารมีขั้นปรมัดก็คือว่าอุทิศร่รางกายนะไม่ใช่แค่อุทิศแค่ทรัพย์สมบัติหรือว่าอวัยวะเนะี่แต่อุทิศร่รางกายอันนี้ก็เป็นไม่ถือเป็นการค่าตัวตายนะถือว่าเป็นการบำเพ็ญทานแบบหนึ่งเพราะว่าเจ ต, ตนานี่ก็ไม่ได้มีความลังเกียจชีวิตนะเพียงแต่ว่าต้องการช่วยชีวิตของอลูกเสือเอาไว้ ก็เลยอาจจะเป็นที่มาของประเพณีการอุทิศ ร, ร่างอุทิศเนื้อหนังบางสาให้กับสิงสารสัตว์นะเวลาสิ้นลมนะก็แต่ว่ามันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะฉะนั้ น, นก็อธิบายเขาฟังนะแต่ไม่ได้ละเอียดขนาดนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ที่เบสทําเนี่ยคนไทยก็กทําเหมือนกันมันเป็นประเพณีร่วมกันของชาวพุทธ เพียงแต่ว่าของที่เบลยังทายังทำอยู่ทุกวันนี้นะของแต่ของไทยเราไม่ทำแล้วแล้วก็สวนทางกันเดินสวนทางกันนะก็คือว่าเราทำประเพณีงานศพให้มันกลายเป็นเรื่องที่ฟุง้งเฟอ้อมากขึ้นนะหาสาระได้ได้น้อยมากนับวันจะหาสาระได้น้อยไปทุกทีช่านะงเรื่องบุญเรื่องทานก็ก็ไม่เท่าไหร่ละ สมัยก่อนงานศพของคนไทยนี่มันอาจจะไม่สวยไม่งามเท่าไหร่นะแต่ว่ามีสาระเยอะถึงแม้ว่าจะไม่ถึงกับบางคนก็อาจจะไม่ถึงกับอุทิศเนื้อหนังบางสาให้กับให้กับสัตว์นะแต่ว่าการทำการทาศพนี่ก็มีมีประโยชน์มีสาระหลายอย่างเช่นให้พระได้มาพิจารณาสุภกรรมฐานสมัยก่อนนี่มันไม่มีไม่มีน้ำยาฉีนะ ก็ตั้งศพไว้หลายวันพระก็โปร่งสุภาพไปด้วยบางช่วงนี้เป็นเป็นหน้าฝนนี่ตั้งศพไว้นานนะเพราะว่ามันจะจะหาฟืนมาเผานี่ก็ยากก็มีคนเล่าว่าบางทีศพนี่ตั้งไว้ที่บ้านเนี่ยแล้วก็นิมนต์พระมาฉันศพตั้งไว้หลายวันนะมันก็ส่งกลิ่นนะพระท่านก็ฉันนะฉันปกติฉันไปก็โปร่งไปอ น, นิจจาวัตสังขาราพิจารณาสุภกรรมถาน อันนี้เราว่าเป็นการาเป็นการปฏิบัติธรรมนี่ขั้นเข้มข้นเลยนะไม่ใช่แต่เฉพาะกับพระนะโยมก็ปฏิบัติธรรมด้วยมาพิจารณาศพอย่างน้อยก็ตอนที่จะเผาก็มีการล้างเอาน้มามะพร้าวล้างหน้าศพนะก็เห็นศพได้พิจารณาที่แถวนี้ก็ยังทําอยู่นะที่วัดบ้านใหม่หรือว่าบ้านตาดดินทองก็ยังทําอยู่แต่ว่าศพตั้งไว้ไม่นาน แต่ว่าระยะหลังมันมีแนวโน้มที่การทําศพมันจะมีพิธีกรรมขั้นตอนมากขึ้นเรื่อยแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ก็ไม่ได้ส่งเสริมธรรมะเท่าไหร่แต่ว่าเป็นไปตามประเพณีมากกว่าคือทําตามแฟชั่นเช่นต้องมีการกล่าวคําไว้อาลัยผู้ตายต้องมีกล่าวประวัติผู้ตายทั้งที่บางทีก็ก็เป็นที่รู้กันในหมู่ชาวบ้านอยู่แล้ว งานศพในหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านก็รู้กันอยู่แล้วว่าประวัติเป็นอย่างไรนะแต่ว่าก็ก็มีธรรมเนียมแบบนี้ที่เพิ่มขึ้นมางอกขึ้นมานะแม้ก็ทั่งในหมู่บ้านอย่างพูหลงนี่ก็มีธรรมเนียมแบบนี้เริ่มปรากฏละนะหรือว่าการทอดผ้าบางสกุลร้อยผ้านะไม่ใช่แค่หนึ่งไตรนะแต่ว่าเป็นร้อยเลยก็ต้องไปล่าชื่อมาว่าจะเอาใคร มาทอดบางอันนี้ก็เพื่อเพื่อหน้าตาหรือเพื่อเป็นเกียรติของเจ้าภาพนะหรืออย่างน้อยหรือไม่ก็กลัวกลัวว่าผู้มาเยี่ยมจะเอ้าผู้อ่ามางานศพเขาจะเขาจะรู้สึกเสียหน้านะถ้าไม่ได้รับเชิญให้เป็นผู้อ่าทอดผ้าบางสกลุลกลัวผิดใจกันก็เลยขนมาหมดเลยนะคนเท่าคนแก่นี่เป็นร้อยนะ มาให้มาทอดผ้ามางุลมันก็ทั้งเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้มีสาระอะไรเท่าไหร่ <c oughs> มีเพื่อนนี่เขาเพิ่งทาหนังสือเรื่องฉลาดทำศพเสร็จนะเอามาให้ดูเอามาใ้เขียนคำนำนะฉลาดทาศพมีฉลาดทำบุญก็แล้วมีฉลาดทำใจก็แล้วต้องมีฉลาดทำศพั้แล้วก็ เขาก็แนะนำนะวิธีการทำศพที่มันเรียบง่ายแต่ว่าได้ปัญญาแล้วเขาก็เอาสถิติตัวเลขของการทำศพในเมืองไทยว่าตอนนี้มันใช้ใจ่ายมากมายเพียงใดบ้างอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ย40 20ปีที่แล้วนี่ค่าใช้ใจ่ายในงานศพนี่ประมาณเกือบ 40,000 ล้านบาทนี่เมื่อ20ปีที่แล้วนะถ้าถึงวันนี้นี่มันจะกี่เท่านะ สเท่าคงจะไม่ใช่นะอาจจะเป็นห้าเท่าหรือสิบเท่าก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีธุรกิจเกี่ยวงานศพเกี่ยวกับการจัดงานศพเยอะมากธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับพวงหรีดเกี่ยวกับไม้ประดับนธุรกิจเกี่ยวกับโรงสารพัดเนี่ยเป็นเงินทั้งนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอ พิธีกรรมที่งอกเงยขึ้นมาแต่ส่วนที่เป็นสาระส่วนที่เป็นประโยชน์ก็น้อยลงไปทุกทีเพราะว่าคนที่มาฟังทำก็ฟังพระสวดไม่เข้าใจแล้วก็หลายงานก็ไม่มีผ้าให้แสดงธรรมแล้วนานๆจะมีพระแสดงธรรมสักทีเพราะไม่มีเวลาต้องเวียนเทียนกันไปสวดศพอันนี้ก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องที่ พวกเราชาวพุทธก็ต้องช่วยๆกันนะเพราะว่าอถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดกับเรื่องนี้จริงจังเนี่ยถึงเวลาเราจัดงานศพให้คนรักให้ญาติที่นองหรือว่าเป็นศพของเรานี่มันก็จะเป็นไปตามตามค่านิยมนะที่กําลังเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าสิ้นเปลืองนะแต่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่คนที่มาใกล้ฝั่งเราก็ต้องคิดนะว่า เออเราจะอยากให้งานศพของเราเป็นอย่างไรนะอย่างหลวงพ่อในท่านก็มีเวลาที่จะคิดนะเกี่ยวเรื่องงานศพแล้วก็บันทึกไว้เป็นละละนักอักษรว่าจะจัดงานศพอย่างไรซึ่งก็ทําให้สะดวกกับพวกผู้สิษย์ลูกหามากนะเพราะว่าท่านระบุไว้ชัดว่าไม่ต้องมีพิธีอะไรมากนะมีแค่แสดงธรรมมี สวดบนแปลแล้วก็แสดงทำนะวันหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งก็เป็นอนยุติไดนะ้อันนี้ก็ทำให้ง่ายต่อลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ทำให้ไม่สิ้นเปลืองด้วยเพราะว่าเป็นเป็นพิธีกรรมที่เรียบง่ายนะบุงที่ศาสนธรรมมากกว่าศาสนพิธีแลนะพวกเรานี้ก็ต้องนะต้องคิดกับเรื่องนี้ ว่าก่อนจะตายเนี่ยนะเราจะอยากจะให้งานศพของเราเป็นอย่างไรนะเพราะว่าถ้าเราไม่คิดนะมันก็จะทำตามแฟชั่นเหมือนกับที่ใครๆก็ทำกันสวดห้าวันเจ็ดวันแต่นะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนนะเขากา็วางแผนเอาไว้ตัดเตรียมมาไว้ว่างานศพของตัวจะเป็นอย่างไรเนะี่ย จช่จัดให้มีปฏิบัติธรรมในระหว่างงานศพนะเพราะว่าศพจะตั้งที่บ้านบ้านนี้ก็มีที่มีทางปฏิบัติธรรมได้บางท่านก็บอกว่าเนี่ยจะจัดให้มีการปฏิบัติธรรมจอะจงเลยนะว่าเผชิญความตา ย, ยางสงบนะให้มาพิจารณาศพของตัวเนี่ยเป็นเครื่องเจริญอัภรณธรรมไปด้วยในตัวนะนอกจากปฏิบัติธรรมทั่วไปแล้วก็มาพิจารณา จเจริญมรณาสติแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ต้องสวดอะไรเลยนะห้ามพระสวดนะนะเพราะว่ามันเป็นแต่พิธีกรรมที่ไม่มีอะไรตั้งศพสามวันนะจะมีอะไรก็ได้มีจะมีกิจกรรมที่เป็นสาระประโยชน์แต่ว่าไม่ต้องมีพระสวดนะอันนี้ก็ก็มีนะคนที่คิดแบบนี้นะซึ่งก็ก็แล้วแต่ว่าจะทำอย่างไร มันมีคุณค่ามมีประโยชน์แล้วก็ไม่สิึมเปืองหรือแม้กระทั่งว่าเออจะอุทิศร่างกายให้เป็นประโยชน์นะสมัยก่อนอุทิศร่างกายให้เป็นอาหารกับสัตว์นะแต่ตอนนี้คงทําอย่างนั้นไม่ได้ก็อุทิศร่างกายให้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อท่านจะได้เพื่อเขาจะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีหลายที่นะเขาก็พอพอเขา พ อ, อบางแห่งเนี่ยเขาก็ศพ บ, บางศพนี่เขาก็ไม่ได้เอามาใช้ในการมาใช้ในการเรียนทางการแพทย์โดยตรงนะแต่ว่าต้องการแค่กระดูกต้องการแค่โครงกระดูกนะก็มีคนเนี่ยเข้ามาจัดการนะแล่เนื้อให้เหลือแต่โครงกระดูกก็มีการเชิญชวนอาสาสมัครนะมาช่วยกันแร่มาช่วยกันแร่นแรหนังช่วยกันแร่เนื้อ ให้เหลือแต่โครงกระดูกก็เคยมีเพื่อนเนี่ยก็รับอาสานี่ไปช่วยแล่ก็ได้เจริญอสุภกรรมฐานไปด้วยเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยแล่ไปก็ปร่งไปแล่ไปก็โปร่งไปนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะเป็นประโยชน์สําหรับนักปฏิบัติธรรมในการเจริญอสุภกรรมฐานไม่ใช่เฉพาะพระนะบางทีพระทำนั้นก็อาจจะไม่สะดวกนะ ก, ก็ให้โยมทําโยมทําก็ ได้พิจารณาอ่าสุภากรรมฐานไปด้วยนะก็มีคนเข้าคิวนะมีคนเข้าคิวหรว่ามีคนหาโอกาสนี่เหมือนกันเพราะว่าอยากจะฝึกนะกรรมฐานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็พูดเรื่องนี้เไว้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เคยได้ยินทนั้งท้งที่มันก็เป็นสิ่งที่มีทํากันมานานแต่ว่ามันอ่า ไม่มีการกล่าวถึงคนเราก็เลยนึกว่าอ๋อมันไม่มันมีแต่เฉพาะไอ้แร่เนื้ อ, อหั่นศพแร่เนื้อให้สัตว์นี่มีแต่เฉพาะทิเบตนะของเราก็มีนะแล้วก็มีกลางกรุงเลยนะกลางพระนครเลยจนกระทั่งเมื่อทั้ง80ปีวันนี้เองนะไม่ไม่ไม่ไกลเลยอันนี้ก็ลราไป เ, ปเกร็ดคำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้อขอบคุณพระ